ชื่อยุ้ยค่ะหนูก็เริ่มปฏิบัติมาหลายๆแนวแต่ว่าเข้าใจแต่รูปแบบไม่ได้เข้าใจถึงแก่นจริงๆว่าทําไปเพื่ออะไรสุดปลายทางคืออะไรจนกระทั่งเริ่มจะพ้อมมีอะไรในใจบ้างแต่ก็ยังผิดอยู่นะคะเมื่อหลังจากบวชมาก็คืออยู่ที่การรู้สึกตัวแต่ก็ยังยึดไอความรู้สึกตัวความนิ่ง ความว่างอะว่าเนี่ยคือเรายังยึดอยู่ที่อาการหมดเลยอะค่ะหลวงตาจนถึงตอนนี้ก็ก็ยังรู้สึกว่าเป็นอยู่ว่าต่อให้รู้ว่ามันไม่นิ่งมันไม่พอใจมันดิ้นรนแต่มันก็ยังเหมือนกับว่าฉันรู้เออเรารู้ละเรารู้ละมันมันเหมือนรู้แล้วก็ฉันรู้ละฉันรู้ละอย่างเงี้ยซ้อนไปเรื่อยๆค่ะหลวงตาก็ถูกแล้วแต่วางให้หมดมันจะซ้อนกี่ชั้นแล้วก็วางให้หมด คุณหนูคิดว่าหนูคงวางไม่เป็นเพราะว่าหนูคงรู้จักแต่ฝั่งปรุงแต่งมาตลอดแต่ว่าก็พยายามว่าอะรู้ก็ี่ก็ยังปรุงแต่งก็รู้ว่านี่ก็นึกปรุงแต่งไงฝั่งก็ฝั่งปรุงแต่งหมดแต่ว่าหนูก็เข้าใจว่ากาที่เราเห็นปรุงแต่งปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วถ้าเราตั้งมั่นพอฝั่งที่ไม่ปรุงแต่งมันมันจะปรากฏของมันเองมันจะแจ้งในใจเองหนูก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นนะคะก็เลยก็เลยเดินอย่างนี้ตอบ มาเรื่อยๆก่อนนะคะหลวงตาก็ไม่แน่ใจว่ามันมันเป็นการเดินที่ถูกไหมก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหลวงตาเพิ่มนะคะเั้เาใจาถูกแต่การปฏิบัติในจิตใจมันผิดคือเราก็ใจว่าเราก็กลังหาค้นทางอยู่กำลังหาห้นทางว่าทายัางไงอย่าตัวเราถึงจะปล่อยวางไง ไอ้ nature, ความปุงแต่งท you re really so. ี่มันปุงแต่งซ้อนพอเรารู้เริ่มก็ปรุงแต่งรู้แล้วมก็ปรุงแต่งรู้ก็ปรแต่งเลยมีแต่ความปุงแต่งปรุงแต่งแต่ยุคนี้กำลังหานทางว่ะจะเอาตัวเราเนี่ยกระโดดออกมาให้เป็นความไม่ปรุงแต่งเนี่ยหานทางแล้วอะไรยังหาทางไม่เจอคือจะเอาตัวเราเนี่ยมาเป็นตัวไม่ปรุงแต่งแล้วก็จะพยายามจะทําให้ตัวเราเนี่ยหลุดพ้นจากตัวปุงแต่งอันนี้คือความเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรมันจะไม่มีตัวเราเนี่ยประเด็นหลุดออกมาจาก ความปรุงแต่งได้เพราะความวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเรานี่คือความเข้าใจผิดมหาหันเป็นอวิชชามหาหันคือเราเจ้าตัวเราเนี่ยหาวัตถางให้หลุดพ้นจากไอ้ตัวเราเนี่ยปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วทำยังไงเราทิ้งจะหลุดพ้นออกมาจากไอ้ตัวไอ้ตัวปรุงแต่งทีทำยังไงตัวเราจะหลุดพ้นอาจากตัวปรุงแต่งทีก็ไอ้ตัวเราที่หลุดพ้นมันไม่มีถ้าเราพยายามพยายามพยายามที่ผิดอย่างเงี้ยเราจะพยายามมาตัวเราเนี่ยออกมาเป็นวิสังขารให้ได้ ให้ตัวเราเนี่ยไม่เป็นตัววิสังขารแต่ให้ตัวเราเน enfin so ี่ยหลุดออกมาเป็นตัววิสังขารให้ได้ตัวนั้นมันไม่มีเพราะตัววิสังขารมันไม่มีตัวเรามันมีตัวตนของเราเราจึงจะทําให้ตัวเราเนี่ยหลุดออกจากวิสังขารมาลอยตัวออกมาหลุดพ้นออกจากสังขารนั่งมวลมาเป็นความไม่ปรุงแต่งเนี่ยในใจกางคิดอย่างนี้คือมีแต่สังขารสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งเรารู้อะไรเราก็พูดเราก็พากเรารู้อะไรเราก็พูดแล้วก็พากรู้อะไรเราก็พูดแล้วก็พากไม่มีหยุดหรอกจนกว่าเราจะตาย แต่มันไม่มีใครไปสเรวจไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปรองรับสังขารตั้งมวลเมื่อไม่มีใครไปสำรวจไม่มีใครไปยึดถือจะปรุงยังไงก็ตามไม่มีใครไปสเรวจไม่มีใครยึดถือเนี่ยมันก็คือไม่มีใครทุกข์มันก็ไม่มีใครไปวุ่นวายกับความปรงแต่งใจมันก็เลยว่างเปล่าแต่ไม่มีตัวเราเนี่ยพยายามให้ตัวเราหลุดจากสังขารมาออกมาเป็นตัวเราข้างนอกแล้วตัวเราจะว่างเปล่านะไม่ใช่มันมีแต่สังขารตั้งขานตั้งขานมีใครไปยึดสังขารไม่มีใครไปรองรับสังขารไม่มีใครไปสเรวยสังขาร มันก็เลยกลายเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าคือคือตอนนี้เข้าใจเหมือนแตกต่างจากที่ตอนแรกเข้าใจนะคะว่าเหมือนกับว่าเราพยายามว่าตอนแรกหนูพยายามว่าอ่ะรู้รู้สักวันวันหนึ่งเนี่ยทรลองตั้งมั่นคือแล้วมันมันจะเป็นมันจะไปรู้อีกฝั่งหนึ่งแทนแต่จริงมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่จะไม่ใช่รู้อีกฝั่งแทนมันก็จะรู้ฝั่งนี้แหละแต่แค่เราไม่ยึดฝั่งฝั่งนี้ว่าว่าเป็นเราถูกต้องแล้ว นี่น่จริงเป็นสัมมาทิฏฐิทมไมอริยมรรคแปดพุทธองค์น่ยแทนจะขึ้นด้วยส ม, มาธิสติปัญญาขึ้นด้วยคิดชอบพูดชอบกระทาชอบคือเริ่มตั้งแต่การพูดการกระทําการประกอบอาชีพชอบส ม, มาธิชอบสติชอบทําไมขึ้นปัญญาชอบก้างสัมมาทิฏฐิมีปัญญาเห็นชอบใช่ป่ก็แต่เราเนี่ยยังเห็นความเข้าใจผิดเราก็ปฏิบัติอย่างไรก็ตามเพียรให้ตายอ่ะแต่เพียนไปในทางที่ผิดเราเพียรเนี่ย เพียนจะมีตัวเราเอาตัวเราออกมาจากสังขารให้ได้เราเพียนมานะแต่อันนั้นพยายามจะเอาตัวเราออกมาจากสังขารให้ได้เอาตัวหลายคนจากสังขารให้ได้จะเอาตัวเราไปนิพพานให้ได้จะเอาตัวเราไปพ้นทุกข์ให้ได้เป็นควาเข้าใจผิดไปความเห็นผิดที่อย่างมหาศาลเลยที่หลายคนก็จะอย่างมันเอาตัวเราเอาไปนิพพานไม่ได้เอาตัวเราออกจากสังขารไม่ได้เอาเจ้าตัวเรา่ข้ามฝั่งไปอยูฝั่งนึ่งไม่ได้ติมตาบอกนะที่พิจารดักคอไปเมื่อกี้ว่า จะเอาตัวเราเนี่ยข้ามฝั่งไปกระเด็นอยู่ฝั่งวิสังขงรารฝั่งแห่งความว่างและปฏิเสธความปรุงแต่งเราก็เราจะทําอย่างนั้นจริงๆก็อยู่ฝั่งเดียวกันเนี่ยมันอยู่ได้กันเนี่ยสังขารกับวิสังขารมันอยู่ได้กันเหมือนกับว่าจักรวาลที่ว่างเปล่าคือวิสังขารส่วนสังขารทั้งมวลคือสิ่งที่ลอยอยู่ในจักรวาลทั้งหมดคือโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อุกาบาตจารัรวาลดาวเทียมอะไรทั้งหมดเนี่ยที่ก็ยิงไปบนท้องฟ้าเนี่ยรวมทั้งทุกชีวิตที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยที่มันลอยอยู่ในในความ่าาาางงักร น, น้้ตึตบชอ ทั้งหมดเนี่ยเป็นสังขารทั้งหมดเลยมันเสื่อมได้ผูพังได้รวมทั้งพืชพันธ์พันธะยาหานทั้งหมดเนี่ยสับทุกชนิดแต่ก็ผูกพังตายไปได้หมดอะ่ะผรามอยู่มันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงและอยู่บนผิวโลกและลอยในความว่างจักรวาลมีแต่ความว่างจักรวาลเนี่ยที่มัเกิดไม่ดับสังขารทั้งหมดนะเกิดดับหมดนั้นสังขารกับที่เป็นวิสังขาร น, น่ยใจที่ว่างเปล่าเนี่ยคือพุทธะพุทธะหรือจิตเดิมแท้หรือใจดั้งเดิมแท้มีความว่างเหมือนกับเป็นความว่างเหมือนกับความว่างจักรวาล่มีความรู้แต่ ใจหรือจิตดั้งเดิมแต่แท so the well. right so the ้เนี่ยที่เป็นพุทธะเนี่ยมีเป็นความว่างเหมือนด่งจักรวาลเนี่ยแหละแต่มีความรู้ถ้าจิตหรือใจดั้งเดิมแต่แท้เป็นความว่างหนึ่งเดียวจักรวาลไม่มีความรู้นะเวลาตายแล้วจะกลายเป็นหายสาบสูนย์พระพุทธเจ้าพระหลังทั้งหลายจะหายสาบศูนย์เพราะอะไรกายหายไปในความว่างเลยไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาลแล้วหายสาบสูนย์ไปเลยแต่มีพุทธะอยู่นะ มีความรู้อยู่เป็นความว่างที่มีความรู้อยู่แต่เป็นความว่างอันหนึ่งเดียวกับความจักรวาลแต่เป็นความว่างเป็นเนื้อเดียวกับจักรวาลแต่มีความรู้เหมือนอย่างเงี้ยเหมือนน้าเนี่ยเหมือนน้ําเหมือนน้าเนี่ยนะอะความว่างจักรวาลเปรียบเหมือนน้าในท้องทะเลมหาสมุทรส่วนแต่ละคนเนี่ยเมื่อใครถึงความรู้ที่ทิ้นยึดแล้วมีแต่ความรู้มีแต่ความรู้เข้าใจแล้วไม่ยึดอะไรเนี่ยไหมเป็นความรู้ที่ไม่ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ว่าแยกตัวแยก แยกตัวเราเป็นผู้รู้และแยกตัวเราไปอีกฝั่งหนึ่งมีแต่ความรู้เนี่ยแต่ไม่มีใครไปยึดรู้ว่ารู้ว่ามีความปรุงแต่งและรู้ว่าเออมันปรุงแต่งในความว่างแต่ไม่มีใครยึดทั้งความปรุงแต่งไม่มีใครยึดตั้งใจที่ว่างมันก็เลยกลายเป็นความรู้ที่เป็นพุทธะคือมีความรู้ไม่มีใครยึดก็คือเป็นเปรียบเหมือนเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นธาตุรู้เป็นความว่างเปล่าที่บริสุทธิ์แต่มีความรู้ก็เหมือนกับน้ําน้ําใสที่อยู่ในขวดเนี่ย เหมือนกับน้ำเนี่ยที่ถูกกั่นมาแล้วเป็นน้ำใสในขวดนี้แล้วก็เป็นความว่างเหมือนกับน้ำใสเนี่ยเป็นธาตุว่างแล้วก็น้ำที่ในในทะเลมห ah าสมุทรเนี่ยเปียกเหมือนเป็นความว่า ง, งจักรวาลเมื่อน้ำใสในขวดนี้คือใจที่สิ้นยึดแล้วเนี่ยไปเทใส่น้าในทะเลมห ah าสมุทรซึ่งเป็นความว่างอันเดียวกันแล้วน้าเนี่ยน้ำในขวดนี้มันจะไปกองตรงไหน จะไปกองตรงไหนไม่เวลาเทใส่มหาสมุทรมันจะเป็นยังไงเออมันก็หายรวมไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจั ก, กรวาลหายไปในทะเลมหาสมุทรนี่น้ําในขวดนีดน่ยแต่มันมีความรู้อยู่ในนั้นมันมีความรู้อยู่ในความว่างแต่มันเป็นความว่างาเดียวกันแต่ไม่มีใครยึดเพราะนั่นเนี่ยในใจเราก็มีความปรุงแต่งอยู่แน่นเนี่ยสังขารร่างกายก็เป็นความปรุงแต่งจิตใจก็เป็นความปรุงแต่งเพียงแต่ว่าไม่มีใครยึดทั้งร่างกายไม่มีใครยึดทั้งจิตที่ปรุงแต่ง แค่นั้นแหละมันก็เลยกลายเป็นความว่างเป็นความรู้ที่ว่างเปล่าเป็นพุทธะอยู่ได้กันกับความปรุงแต่งแต่ไม่มีใครยึดความปรุงแต่งก็กลายเป็นความว่างความปรุงแต่งก็มีอยู่เป็นความปรุงแต่งปรุงแต่งอยู่ในความว่าเกิดดับอยู่ในความว่างไม่ใช่เราพยายามทําตัวเราแยกออกมาจากความปรุงแต่งให้ไปเป็นความว่างหรือพยายามทําตัวเราเนี่ยให้ออกมาจากความปรุงแต่งเพื่อให้ออกไปเป็นพุทธะที่แยกออกไปอิสระหรือไม่ใช่ว่าพยายามทําตัวเราให้กระโดดออกไปอีกฝั่งหนึ่งไปอยู่ฝั่งที่ว่างเปล่า แล้วปล่อยทิ้งความปรุงแต่งไว้อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่อันนั้นเราเข้าใจผิดที่หนูทามาทั้งหมดหนูก็หนูพยายามจะแยกตัวเราออกมาจากทุกสิ่งให้ตัวเราออกมาเป็นอิสระให้ได้นั่นแหละเข้าใจว่าตัวเราจะถึงพอดิพานถ้าทําอย่างนั้นเริ่นนานเท่าไหร่ก็ไม่มีโอกาสจะเป็นได้มันเป็นความหลงผิดไม่มีตัวเราที่แยกออกมาได้และไม่มีเอาตัวเราไปถึงพอิพานได้คือนอกสจากว่าปล่อยวางความหลงยึดถือตัวเราเข้าใจไหม เข้าใจอย่างนี้ไหมขึ้นเข้าใจแบบนี้แล้วเป็นอย่างนี้นังจริงเป่าก่อนที่เข้าใจอย่างนี้หนูก็ใจผิดมาหรือเปล่าละก่อนหน้านี้หนูก็เข้าใจแล้วก็ทำแบบผิดผิดมาตลอดอนะก็เดนมันเหมือนอย่างเงี้ยมันเหมือนกับภูขเขาพระนิพพานมันมีอยู่เงี้ยแต่หนูเนี่ยภายในใจเนี่ยมันเดินลงเขาลงมามันเดินสวนทางกันแต่หนูเนี่ยเข้าใจผิดว่าขึ้นยอดเขา แต่แท้จริงอะหนูเดินลงเขาก่อนที่หนูเข้าใจผิดแต่เดิมมาอย่างนั้นนะคือหนูเข้าใจมาตลอดเลยว่านี่คือทางเดินไปสู่พระพนิพพานแต่แท้จริงหนูกําลังเดินลงเขาแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยเพราะอะไรเราจะเอาตัวเราไปถึงให้ได้เราจะเอาตัวเราไปถึงนิพพานให้ได้ไม่มีทางต้องปล่อยวางตัวเราเพราะความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นขันห้าต้องปล่อยวางต้องละอุปทานขันห้า คือในระหว่างแบบอยู่ในชีวิตประจําวันหนูคงคุ้นชินกับการการทําแบบเดิมๆแบบปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหของตามีคําแนะนําให้หนูยังไงว่าแล้วหลังจากนี้ไปหนูควรจะยังไงเพื่อที่จะเพื่อที่จะอะไรพูดให้ดีเพื่อที่จะไม่หลงผิด <c oughs> เพื่อที่ตัวเราจะไม่หลงผิดมันก็ผิดอีกอลไรฮะถ้า <c oughs> เพื่อที่ตัวเราจะรักษาตัวเราไม่หลงผิดมันก็คิดคืนเลย มันมีแต่กริยาอการที่ปรุงแต่งไม่มีตัวเราที่หลงผิดหรือแม้แต่ไม่มีตัวเราที่ถูกมีแต่ความก่อใจผิดกับความก่อใจถูกแต่ไม่มีตัวเราไม่มีว่าลูกตาช่วยให้หนูไปหลงผิดหน่อยมีแต่ความก่อใจผิดกับความก่อใจถูกเแตวเนี้ยแค่นั้นเองไม่มีตัวเราไปหลงผิดตัวเราไปหลงถูกถ้าหลงก็มีตัวเราก็คือผิดอยู่นน่ๆแต่ถ้าเราหลงก็มีตัวเรา ถูกตัวเราถูกก็ยังผิดอยู่ดีคือมีแต่ความหลงผิดความที่หลงผิดไปเขาจะถูกก็จะชี้หมาให้ถูกต้องแค่นั้นเองถ้าจะมีว่าเออตัวเราถูกแล้วตัวเราเข้าใจถูกตัวเราเข้าใจถูกอันนี้ก็จะหลงผิดถ้ามีตัวเราไปเข้าใจถูกก็จะผิดผิดหมดแหละมีแต่ความหลงผิดกว่ามเข้าใจผิดเออเปลี่ยนหม่ายเป็นเข้าใจถูกก็เข้าใจถูกตรงนี้เลยจะต้องเดี๋ยวอาจารย์ช่วยหน่อยเนหนูกลับไปหนูจะทํายังไงแล้วหนูจะเป็นยังไงมันก็ผิดอยู่ดีนะท้งนี้ตองเดี๋ยวนี้ แก่ความก็จะใผิดแตแ this, right? แ่เป็นความก็จะถูกเดี๋ยวนี้ยแก้เดี๋ยวนี้แค่นั้นเองนึต้องแก้ที่ความยึดตัวของหนูเองแก้ความหลงหรกเอาวิชามันดับที่ความหลงแคนั้นเองหลงผิดหลงก็้าใจผิดเอาวิชามันดับความหลงแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าช่วยหนูให้หายหลงหน่อยช่วยไม่ได้รแล้วช่วยหนูให้หายหลงไม่ได้มีแต่ความเข้าใจผิดหลงผิดเป็นเข้าใจที่ถูกคืออันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หนูนึกเองไม่ได้เลยหลนงตาคือว่า หลังจากที่บวชมาค่ะหนูมีอาการป่วยหลายอย่างมากคือเดี๋ยวก็เจ็บเข่าเดี๋ยวก็ปวดเจ็บบ่าแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือแบบเหมือนเป็นผื่นคันทั้งตัวเลยจนแบบเกาจนเลือดเลือดออกน้ำน้ำเหลืองไหลเลยค่ะคือหนูไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาการทางใจที่ที่หนูเองหนูก็ไม่รู้ตัวหรือเปล่าค่ะหลวงตาเลมีอาการออกมาแบบนี้แต่ แต่หนูรู้อย่างหนึ่งว่าอาการที่อาจารย์นอที่หลวงตาเคยพูดว่าบ้านน้อยหอยสังหนูเป็น <laughs> เป็นมาเป็นมาเป็นเป็นเดือนแล้วค่ะเกี่ยวกัอาการนั้นแหละเรือย่างหนึง่งอาการที่เราไปยึดตัวเราไปยึดตัวเราจะให้เป็น ย, ปยังไงพยายามได้ตัวเราไปเป็นยงไงมันก็อัดแน่นไปที่ตัวเราอาการที่หนูพูดแบบน้ำม้วนมันคืออาการที่มันอัดแน่นเข้าไปติดจิตคือตัวเราที่เรายึดเอาตัวเราเป็นตัวตั้งเป็นตัวฐานไว้อย่างมั่นคงเราจะเอาตัวเราไปนิพพาน้ได้ เราเลยทำให้ป่วยหลายโรคตามมาแล้วก็รวมทั้งเอาตัวเราไปแช่อาการที่เราเข้าใจผิดว่ายิ่งมันว่างยิ่งมันเบาตัวเราไปพบตัวเราว่างตัวเราเบาสบายเมื่อไหร่มัในจะใกล้นิพพานก็ไปก็คือเรามีปัญญาทิฏฐิเป็นปัญญาทิฏฐิความเห็นผิดมันก็เลยกลายเป็นเอาตัวเราไปแช่ในความว่างความนิ่งความเฉยพอตัวเราเข้าไปแช่อยู่ในความนิ่งความว่างความเฉยเนี่ยจิตมันก็เริ่มไม่ทํางาน มันก็เริ่มปนะ่วยแล้วนีพราะจิตไปทางา น, นก็เริ่มป่วยพลังงานเริ่มหมดไปเชื้อโรค ก, ก็เข้าโจมตีได้โรคลุกลามเป็นหลายโรคแล้วก็ระบบการหลัง่งสารเคมีในร่างกายในสมองก็ผิดปกติไปหมดเลยเพราะว่าระบบการทำงานของจิตผิดปกติเราจะต้องย้อนกลับมาวิธีแก้คือมันมีความสบายไม่สบายมีความว่างหรือไม่ว่างอะไรก็ตามต้องย้อนกลับมาหาผู้รู้ ตอนกลับเข้าหาผู้รู้ถามว่าใครเป็นคนรู้อาการนั้นทุกขณะปัจจุบันแล้วก็เราก็จะเห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมั น, เ, นเราจะพบผู้รู้ที่มันพูดได้นึกได้คิดตึกตองได้ตลอดเวลาเพราะไม่ได้ว่างเรามันเห็นว่าตัวเราเนี่ยพูดอยู่ในความว่างความนิ่งความสงบความเฉย น, นั่นแหละมีตัวเราพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็วางตัวเราจะให้หมดเราวางตัวหมดเราวางตัวเราหมดแต่แล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความว่าจริงๆส่วนไอ้ตัวพูดได้ก็ยังพูดอยู่แต่ใครที่ไม่ยึดถือความความ นิ่งความว่างความสงบนั่นก็มันก็หมดพ้นทุกอย่เข้าใจไหมล่นะทุกขณะปัจจุบันที่หนูนั่งอยู่เนี่ยต่อนหน้าลงตาเนี่ยดุเข ม, ม, มันเนีมันจะพูดอะไรก็จ้างมันเถอะมันอยากจะพูดอะไรก็ถึกต้องอะไรในใจอะต่อหน้าลงตาเนี่ยมันก็พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้วิเคราะห์วิจารวิจัยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นนะแต่ไม่มีใครไปเสำวจไม่มีใครไปรองรับ พอสิ้นพูดสเสวอสิ้นพูดรองรับเนีมันก็กลายเป็นใจว่างเปล่าไปเลยคือผู้รู้อะกลายเป็นผู้รู้คือใจนั่นแหละที่เป็นความว่างเปล่าเหมือนดั่งจั ก, กรวาลไม่ใช่ว่าเราพยายามไปไล่มีตัวเราไปไล่ดับไปตัวเราที่พูดไม่หยุดบนไม่หยุดคิดติดตองไม่หยุดแล้วเราก็ไปไลังนุดหงิดลำคาญมันอันนี้ก็ผิดและผิดอีกอย่างคือเราพยายามจะเอาตัวเราแยกออกมาจากตัวที่เราพูดได้บนได้คิดติดตองได้เราลำคาญไมนเกินเราำคาญมันอะเมื่อไหร่จะดับมันไม่ดับสิเราดับมันไม่ได้ พยายามดับมาไหนตัวคิดตัวนึกตัวตึกตัวตอง ต, ตัวพูดบ่นเนี่ยจะตลอดเวลาเราพยายามดับมัเนี่ยได้แต่เมื่อเราดับมันไม่ได้เราหมดขนทางจริงๆเราก็เลยพยายามจะเอาตัวเราเน analyzed, azione, ี่ยแยกออกมาจากมันแยกอิสระจากออกมาจากมันให้ได้คือในเมื่อเราดับมันไม่ได้เรามีขนทางเดียวที่ที่เรายึดถือเราคือเราแยกตัวเราออกมานีจะหนีออกมาจากตัวเราทิ้ไม่พอใจมันก็เหมือนกับว่าเราไม่พอใจอะไรในที่ทํางานเราหรือในบ้านในครอบครัวเมื่อเราไม่สามารถไปจัดการกับเขาได้ เราทนไม่ได้จริงเราก็ใช้วิธีแยกตัวเราเองออกมาจากสังคมแยกตัวเองมาจากครอบครัวมาอยู่วัดอย่างนี้คือผิดหมดทั้งสองทางคือการที่เราจะเข้าไปยังไปจัดการเขาให้เขาดับไปให้เขเป็นอย่างใจเราก็ผิดอีกการที่เราเรายามแยกตัวเราเองออกมาให้ได้ก็ผิดอีกคือผิดแหละมันมีตัวเราที่กระเด็นออกมามันก็เป็นอวิชชาดีที่ถูกต้องคือไม่ยึดถือ มันดีก็ไม่ยึดถือมันปรุงแต่งก็ไม่ยึดถือมันเป็นยังไงก็ไม่ยึดถือไม่มีคนยึดถือพอสิ้นผู้ยึดถืออะมันก็เลยพ้นทุกข์ไปเป็นนิพพานมันทุกข์ขณะปัจจุบันที่อยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยตอมันไอ้ความว่างก็ว่างอยู่ใจที่ว่างเปล่าใจาที่เริ่มสงบก็มีอยู่จิตที่ปรุงแต่งมันพูดเจาะเจาะเจาะเจอยู่ในความว่างก็มีอยู่เมื่อสิ้นผู้ยึดถือแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นการกลายเป็นใจที่ว่างก็ว่างอยู่ แต่ไม่ใช่เราไปยึดความว่างและไอตัวที่พูดปรุงแต่งเราก็ไม่ไปยึดมันไม่ไปฝักใสมันมันก็เลยเป็นของที่คู่กันอยู่ต่อหน้าลุงตาเนี่ยทั้งในใจก็พูดไม่หยุดส่วนใจก็ว่างไม่หยุดก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยไปได้วยกันก็เหลือแค่ธรรมาชาติสออย่างคือความปรุงแต่งกับความว่างที่ปรุงแต่งไม่ได้จนกว่าจะตายความปรุงแต่งทั้งดับเหลือแต่ใจที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นความว่างที่เป็นพุทธะหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างไปแต่นั้นในการฟังลุงตามันจําเป็นต้องเข้าใจ แต่มารู hmm. ้จริงๆว่าในใจเรามีอย่างนี้จริงๆมันมีความปรุงแต่งแต่ไม่มีใครไปยึดถือความปรุงแต่งแล้วเราก็รู้ได้ตัวของเราเองอ่ะเมื่อเราไม่มีใครยึดถือความปรุงแต่งใจมันก็เลยสงบและว่างต่อปรุงแต่งก็ยังปรุงแต่งอยู่แต่ใจเราสงบและว่างเปล่ามากไม่รู้เป็นเพราะอะไรกลัเพราะไม่ยึดไะไม่เข้าไปยึดมันก็เลยเป็นความสงบและว่างเปล่าตอนที่ปรุงแต่งมันมีอยู่แต่ความปรุงแต่งหมดความหมายต่อใจหมดความหมายนะหมดค่าหมดความหมายต่อใจ มราก็ยังปรุงเนี่ยปหนูยังไม่ตายเนี่ยขันห้าอุ้ยังนั่งอยู่ตัวหน้าเนี่ยหลวงเพราะยังคิดได้ตัวที่นั่งอยู่ตัวหน้ายังคิดได้แต่มันพอความคิดไอ้ตัวเราที่นั่งอยู่ตัวหน้าขอวงตาที่มันคิดได้พูดได้บ่นได้ตึกตองได้หมดหมดคุณค่าหมดความหมายต่อใจไม่คิดว่าจะมีตัวเราก็ะเด็นออกจากมันแล้วไม่คิดว่าจะมีใครไปดับมันพอสิ้นยึดในั้นแหละใจก็กลายเป็นความสงบระว่างเปล่าแต่ตัวขันห้านั่งต่อหน้ายังไม่ดับนะไม่ได้ดับไปไหนแล้ว มันอยู่เนี่ยยังไม่ตายมันอยู่ต้นหน้าของตาเนี่ยจน ก, กว่ารอดพันตายซะก่อนไอ้ร่างกายนั่งอยู่ต้นหน้าของตาที่มันคิดได้มีความรู้สึกตัวด้า น, นก็ดับไปแต่ใจที่เป็นความสงบวาง่างเปล่าที่เรารู้ว่าบัดนี้ใจสงบและวา่างเปล่าส่วนความปรุงแต่งก็เบลงแต่งอยู่ก็รอจนกระทั่งความรู้สึกตัวความสงบและว่างความวุ่นวายในใจค่อยๆดับไปดับไปเหลือแต่ใจที่วา่างเปล่า